ซีดีธรรมบัญญายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศกราช 2,548 โดยพระพรมคุณาพรออปออประยุตโตวัดยานเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเข้าพรรษาควรจะรู้อะไรบัญญายเมื่อวันที่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 ใ น, นวันสาคัญประเภทนี้ก็จะมีคำาบูชาลงท้ายเช่นที่สำคัญที่สุดเป็นหลักกันวันวิสาคบูชาอันนี้เป็นหลักมาแต่เดิมแต่เดิมก็มีวันเดียวเท่านั้นคือวิสาขาบูชาอยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าเลยวันประสูตรสัตย ร, รู้และบ ร, ริณิ พ, พานต่อมาก็มีนักปราชญ์ที่ท่านเห็นว่าเหตุการณ์อื่นก็สาคัญแม้จะน้อยกว่าก็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 ในหลวงราชกาลที่สี่ทรงเห็นว่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแ ส, สดงโอวาทปาธิโมกข์กับที่ประชุมสงฆ์ที่เรียกว่าจารุรงคกสันนิบาตในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสามก็ถือว่าสำคัญมากเหมือนกันเพราะภาษาวกมาประชุมใหญ่แล้วก็สแสดงหลักการสำคัญเป็นเครื่องนัดหมายให้พระสงฆ์ได้นาไปปฏิบัติและนาไปสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันจารุรงค์งก็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 รัฐบาลก็มีมติเห็นชอบก็จึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเวลานี้ก็เมืองไทยก็วันสำคัญประเภทบูชาก็มีสามนี่แหละวิสาขาบูชาเป็นหลักถ้าเดิมแล้วก็มาขาบูชารองลงมาแล้วก็อาสาลาบูชานี่เรียกว่าวันสำคัญประเภทบูชาที่ระลึกถึงพระรัตนตรยัยเกี่ยวด้วยเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสืบเนื่องจาก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 ฤดูฝนภาษาบาลีเรียกว่าวัฏะเป็นสันสกฤตมาเป็นไทยก็กลายเป็นพันษาพันษาก็คือวัฏระนั่นเองภันสาก็แปลว่าฤดูฝนให้อยู่ประจําที่ในฤดูฝนก็เรียกสันส้นๆว่าจําพันษาจำพันษาก็คืออยู่ประจําที่ในฤดูฝนมาจากพุทธบัญญัติเมื่อพระสงฆ์ถือปฏิบัติตามพระวินัยนี้เมื่อถึงวันนี้ กิจกรรมต่างๆก็เลยเกิดมีขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพุทธบัญญัตินั้นเมื่อพระสงฆ์มีการปฏิบัติทำกิจกรรมการอธิษฐานบรัรษาเตรียมการต่างๆพุทธบริษัทได้รู้ได้เห็นก็มาร่วมมือเพราะว่าพุทธบริษัทนะ่ะอุปถรัรมภ์พระสงฆ์อยู่ก็มาอุดหนุนมาร่วมมาจัดอะไรต่างๆก็เลยเกิดเป็นประเพณีขึ้นมามีการทาบุญ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 กำหนดตัดสินแน่ๆลงไปว่าจะอยู่ที่นี่นก็คือทำนั่นเองการอยู่ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งตั้งใจเด็ดๆ ว, ว่าอยู่ที่นี่อธิษฐานไตรจีวร อ, อธิษฐานบาตรก็คือกาหนดลงไปว่าเอาอันเนี้ยเป็นของใช้ประจาตัวนี่คือความหมายของอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานรรษาก็ไม่มีอะไรมากก็ตั้งใจแน่ลงไปว่าอยู่ที่นี่ตลอดเวลาสามเดือนก็กล่าวหมายว่า อิมัสมิงอาวาเสออิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิก็แปลว่าอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าตกลงเข้าอยู่วัดสังพรรษาก็คืออยู่ประจําฤดูฝนอิมังเตมาสังตลอดไตรามาสนี้ไตรามาสเตามาสก็คือไตรามาสสามเดือนนี้อิมัสมิงอาวาเสในวัดนี้ก็เท่านี้เอง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 ของเรานี่เราเรียกสิ้นเดือนวันแรมสิบห้าค่ำมันก็ยุ่งเหมือนกันแหละการนับเดือนของท่านกับของเราก็ไม่เหมือนกันถ้านับฤดูอะไรท่านก็ไปสุดที่วันเพ็ญแล้วขึ้นสิบห้าค่ำแรมหนึ่งค่ำก็แปลว่าวันแรกที่จะเข้าสู่การจําำรรษาเริ่มนับการเข้าจำํำรรษาฤดูฝนของเราก็ถือเป็นวันเริ่มฤดูฝนด้วยวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแป แล้วก็นับไปสามเดือนก็ไปสิ้นสุดที่วันขึ้นสิบห้าค่เดือนสิบเอ็วันขึ้นสิบห้าค่เดือนสิบเอ็ดก็เป็นวันสุดท้ายก็เป็นวันสิ้นสุดพรรษาก็เรียกเป็นภาษาจาวบ้านว่าวันออกพรรษานี้ถ้าไม่เข้าใจนึกว่าวันขึ้นสิบห้าค่ำน่ออกพรรษาแล้วก็เลยจะไปไหนก็ผิดอีกเพราะว่าก็ต้องดูอีกว่าแล้วนับพรรษาไปนี่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 นี่ขึ้นวันใหม่แล้วนะวันขึ้นสิบห้าคำก็จบไปนั่นก่อนที่จะขึ้นแรมหนึ่งคำก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสิ้นสุดวันขึ้นส5บห้าคำเนี่ยก็ยังถือว่ายังไปเม่ไหรไม่ได้ต้องจำไว้ด้วยเมื่ั้นเราเดี๋ยวขาดพรรษาอีกแต่ท่านก็มีอีกท่านบอกอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดไม่ต้องไปจำท่านบอกว่าถ้ามีธุระก็ให้ออกไปเลยก่อนเจดวันออกพรรษา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 ก็ไปสิ้นสุดเอาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองก็หมายความว่าแรมหนึ่งค่ำเดือนแปถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเป็นวัษสงฤดูฝนออาแล้วทําไมให้จำพรรษาแค่สามเดือนท่านให้จํารรษาสามเดือนและอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนเตรียมตัวพระสมัยก่อนก็ไม่อยู่ประจําที่พอหมดฤดูฝนแล้วก็ออกจาริษต่อ อันนี้สมัยก่อนนี้เวลาไปก็ไม่ให้มีภาระอะไรมากก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวก็บริขานสำคัญอันหนึ่งก็คือผ้าตรายจีวรก็ถือโอกาสเตรียมผ้าใหม่ก็เลยพระพุทธเจ้าให้เวลาหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนคือเดือนส2บสองเป็นเวลาตั้งแต่แรมหนึ่งคเดือน11อไปถึงกลางเดือน12คือขึ้น15ค่าเดือน12บ เป็นจีวรลักการเป็นเวลาสําหรับแสวงหาและทําจีวรก็พื่ง่ายๆก็คือเตรียมจีวรสําหรับไปจาริกใหม่เวลาไปจาริกก็จะได้ไม่ต้องกังวลนล้วก็เลยมีเวลาหนึ่งเดือนขึ้นมานี้แล้วก็มีพุทธบัญญัติมาทําให้ได้ผลหนักแน่นขึ้นอีกก็เลยมีการทอดกรถินทอดกรถินเป็นเรื่องของโยมที่มาอุปถัมภ์พระของพระก็คือการ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 อุปชาไม่ได้อยู่ด้วยพอโบวถแล้วก็แยกไปอยู่วัดอื่นอุปชาป่วยจะไปพยาบาลรักษาเป็นต้นหรือมีกิจนิมนต์ของญาติโยมซึ่งเป็นเรื่องของผู้ศรัทธาเป็นกิจพระาศาสนาอย่างนี้ถือว่าเป็นกิจสำคัญที่ยกเว้นก็ให้ไปได้แต่ให้กลับภายในเจ็ดวันก็เลยเกิดมีพุทธบัญญัติยกเว้นในเรื่องนี้ว่า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 ไปได้โดยกำหนดใจว่าเราจะไปทำให้เสร็จแล้วกลับมาภายในเจ็ดวันก็นับเจ็ดวันก็นับโดยวิธีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรับอรุณที่เจ็ดแทีนี้คำว่าเจ็ดวันก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่าสัตตาหะมาเป็นไทยเรียกตามสันสกฤตเป็นสัปตาหะคำเดียวกันสัตตาห์สัปตาห์ทีนี้ไทยเราใช้ตามสันสกฤตก็เป็นสัปตาหะ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 ใช่เมื่อสวดมนต์เราก็จะพยายามทําสวดให้ดีสวดยังไงจึงจะได้ผลดีที่สุดทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นสวดให้ได้ผลดีกับตนเองก็เออทาไงจะมาช่วยให้การสวดมนต์เนี่ยมาเป็นเครื่องนําจิตไปสู่ความสงบเป็นต้นเนีเพราะว่าการสวดมนต์นี้เขาใช้เป็นเครื่องเตรียมจิตจิตมันวุ่นวายคิดโน้นคิด น, น, ดนี่พอไปสวดมนต์เข้าจิตมันเริ่มรวมได้มาอยู่กับคาสวดซึ่งเป็นคําที่เป็นกุศลดีงามจิตมันก็สงบ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 ตั้งใจดีเราก็สบายใจด้วยเราก็ออกไปบินดาบาดแล้วก็อยู่สำรวมในกายวาจาแล้วก็ห่มผ้าและตะไลดีให้ประชาชนเห็นแล้วก็จิตใจผ่องใสเบิกบานให้เขาเริ่มต้นวันด้วยมงคลเนี่ยคือที่เราทํากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทั้งฝึกตนเองทั้งเป็นไปเพื่อชุมชนสงฆ์แล้วทั้งเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต้องทาให้ได้ทั้งสามนะฮะทุกกิจกรรม